นั่งปฏิบัติตามกันฝรั่งมาใครได้แนะนำเรื่องกรรมฐ า, านไหมต้องมีนะต้องมีใหม่งานเคว้งคว้างคนมาใหม่ทุกคนนั่นแหละไม่รู้จะไปทิศทางไหนดี งทียังมาสงสัยดูว่าขยกมือทำอะไรกันมันเป็นเรื่องสีเวลาเพราะว่าการเดินเข้ามาก็หมายถึงว่ามีความพร้อมระดับหนึ่งมีวาสนาอธิวาสนากรรมสัมพันธ์ธรรมสัมพันธ์มีปุปกรรมร่วมกัน เหมือนสมัยพุทการเคยได้อ่านได้ยินมาว่านางปาจาราสาวบ้าโดยบุปกรรมเดินไปเจอกับพระพุทธองค์ขณะที่กำลังหมดสติสมว ด, ดีวิปราสเดินเข้าไปเจอองค์สมเด็จสัมมาวุฒิเจ้าบอก น, น้องหญิงเธอจงมีสติมาเถิดน้องหญิงเธอจงมีสติมาเถิดคนบ้าเดินสเป ส, สป่าเข้าไปพระกําลังเกียดเนนกําลังเกียดเดินผ่านเจ้าบ้านมาเจ้าบ้านกําลังเกียดป่วยกายร่อนจนไม่ให้เข้าวัดเข้าว่าพุทองกับไม่ได้ว่าอะไร ก็บอกให้เอาผ้าไปกลุ่มตัวแล้วก็ให้นั่งลงแล้วก็พูดว่น้องหญิงน้องหญิงเธอจงมีสติมาเถิดแล้วก็บรรลุธรรมล้วเป็นทรงวินัยด้วยเป็นภิกษุณีผู้หญิงเบิดพละแล้วก็รู้เรื่องธรรมาวินยัยวินยัยปกครองคนได้ ก็เลยว่ามาที่วัดป่าสุกโตก็ต้องบอกกันใครก็ตามอย่าปล่อยให้นะสเปรยสะปะหรื่อหันหลีหันขวางจังเออร์จังะไม่รู้จะวางตัวยังไงต้องแนะนำกันกลมะไมกลลมือใครที่ปฏิบัติแล้วก็ใจสบาว่าบ้าง เวลาเราทุกกับความคิดเราก็เลยทุกมาประมาที่นี่ก็ให้เผยแผ่หนึ่งใน5วิธีที่สามารถเผยแผ่ได้ทั่วโลกเลยในเมืองไทยมันมีหลายวิธีของเราเป็นหนึ่งใน5วิธี mm. เกลื่อนมือ14บส่จังหวั mm. เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ mm. เอกลักษณ์คือมันเป็น1่ละ การยกมือ14ชัวหวที่สามารถททำให้เราพ้นทุกได้จริงเราเคยทำมาแบบนั้นเป็นอัตลักษณ์เพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนก็ว่าของตัวเองถูกอัตตามาที่วัดป่าสุกตหลวงพ่ออมเขียนนั่ก็บอกว่าท่านทำอย่างนี้แหละ21วันแล้วก็เข้าใจทำมหเราก็ฟังดูหลวงปู่เทียนท่านทำอยู่24ชั่วโมงท่านเข้าใจสภาวะ ตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเลยอีกหลายคนปฏิบัติแล้วว่าสามารถที่จะเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองเห็นกายเห็นใจเห็นการเคลื่อนการไหลเห็นความคิดที่เป็นปรากฏการณ์แต่ละขณนะแต่ละขณนะเราได้ทำ สัมผัสจริงๆแล้วก็บอกกันเห mm hmm. มือนคนมีตังในกระเป๋าเราอดไม่ได้หรอก mm hmm. จะปล่อยให้เพื่อนหิว mm hmm. ปล่อยเพื่อนมีปัญหาให้เพื่อนทุกมันเป็นไปนไม่ได้มันก็ต้องแบร์ถ mm hmm. ึงแม้ไม่มีก็ตามเขมันก็แบรอ ย, อยู่ดีแบรให้คนอื่นได้เห็นจะได้ช่วยเหลือ mm hmm. จะได้ให้ยืม mm hmm. แต่สติมันยืมกันไม่ได้เท่านั้นเอง mm hmm. เป็นของใครของเราที่ต้องทำเอาเองซัภไยในอะริยซับัยใ น, อยยในขอให้กันก็นไม่ได้จะปล้นจนะจี้จะทำยังไงมาเป็นของเราก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีการกระทําลงไปเองนะเรียกว่ากรรมมาฐา น, นการเดินจงกรมเป็นการเคลื่อนมือนะเป็นหลักการปฏิบัติ ความคิดเกิดขึ้นมาเราไม่ได้ห้ามคิดเรื่องอะไรก็ตามมาดี๋ยนะกดความทุกข์เก่าๆก่อนเข้าวัดก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมกันปนัญหาเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องงานเรื่องสับสนจะเป็นพระก็บอกอกหั ก, กหลักลอยคอยงานสงการเสื่อมมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเรื่มใสก็มีเรื่มใสในพุทธศาสนาไม่ใช่บวชจะเบียดไม่ใช่บิบดบแก้บน แต่บวชเพราะว่าเราเห็นว่าการบวชนำให้เราแต่งชุดนักเรียนในเครื่องแบบเราจะเรียนรู้วิชาที่พาเราพ้นทุกข์ได้จริงก็ต้องฝึกปฏิบัติกันกรรมฐานวิธีการใดวิธีการหนึ่งวิปัสสนาทั้ละเอาออกหน้าออกตาเลยเรื่องอื่นเป็เรื่องรอง เราก็ทำเต็มที่ตอเช้าตื่นขึ้นมา mm hmm. ฉันอาหารก็รู้สึกตัวเป็นตัวปฏิบัติหมดเลยไม่แบ่ง mm hmm. ทำอะไรทำอะไรก็เป็นเรื่องธรมาทานหมดนั่นแหละจะ mm hmm. กินจะขับถ่าย mm hmm. จะเหลียวซ้ายแลกว่าจะพูดจะคุยจะนิ่งจะหลับจะตื่นต่างๆ จกค่เรียกว่าฝึกหัดจนมีความจานานจริงๆเริ่มรู้ทันความคิดเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นมาที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดมันเกิดขึ้นทั้งวันมันเป็นอาการที่ไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันมีพลัง รู้ทันก็เกิดคุณค่าเกิดมารู้ไม่ทันก็่าคุณผิดปกติมันก็เสียเวลาหลายวันผ่านไปแล้วก็เห็นความจริงที่มันปรากฏซ้ำๆซากๆความง่วงก็มาเหมือนเดิมความเจ็บความปวดความเมื่อยก็มาเหมือนเดิมความเบื่อเหงาเศร้าซึาซมก็มาเหมือนเดิม ความคิดมันก็มาเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ารู้ทันไวขึ้น <Yeah. S 2> รู้ทันไวขึ้นไวขึ้นจนคิดปับรู้ปุ๊บคิดปับรู้ปุ๊บรู้เท่ารู้ทัน <Yeah. S 2> มันก็เลยกลายเป็นของสนุกขึ้นมาเพราะว่ารู้ทันมากเท่าไหร่จิตก็ปล่อยวางเป็นความว่างเป็นความปกติมากเท่านั้น <Yeah. S 2> มันก็เห็นประโยชน์ชีวิตก็ดูมีคุณมีค่าขึ้นมา ลงปป่งเบาตื่นตัวมีพลังมีกำลังใจมีความหนักแน่นอบอุ่นเมโลเลมันเคยสับสนโลเลมันก็มีความอบอุ่นขึ้นมาเหมือนกับได้หลักของชีวิตนั่นแหละหาเงินหาทองมีที่มีทางก็ไม่ใช่ ยมันเป็นมุดโนดจริงๆมีหลักมีฐานชี้ได้สัมผัสได้บอกให้ท่านมาดูได้มาดูเถอะมาดูเถอะท่านจงมาดูเถิดน้อมก็มาใส่ตัวโอพนาิกโกของใครใครก็รู้ได้เป็นปัจตัง การเคลื่อนการไหวกายเวียนจิตรมต่างๆมันมีอยู่ร่างกายธาตุดินธาตุสี่มันก็มีอยู่จริง <Okay. S 1> นั่งมันก็เมื่อยเหมือนกันทุกคนแต่บางค น, นเป็นความอ่อนแอปอบางแต่คนที่ฝึกที่หัดมันได้ฝึกฝืนแล้วก็ฝึกฝนมันได้สอนตนจนเกิดระเบียบวินัยของกายขึ้นมาจริงๆจนเห็นกายใหม่ๆไม่ต้องทน มีการเจ็บปวดเมื่อยกันมาแล้วก็เปลี่ยนยทิฏยิบดนั่งมั่งเดินมั่งยืนบ้างพเพียบซ้ายพเพียบขวาบ้าง<ม>เหยียดเท้าเหยียดขาเหยียดแข้งก็ตามอัตยาศัย<ม>แต่ว่ามีสติการเปลี่ยนอิฏบิจนมันจานานนะเกิดวินัยของกายขึ้นมาเป็นเวลาเวลาจิตใจก็รู้จัก ขณะที่รู้สึกตัวก็รู้จักเวลาไม่รู้สึกตัวมันหลงไปก็รู้จักกลับมาได้ไวเมื่อก่อนนะก่อนจะมีสติรู้สึกตัวก็บางทีหลงไปทั้งวันเผลอไปครึ่งวันค่อนวั น, นพอฝึกแล้วมันทําเป็นมากขึ้นเหมือนกับคิดมากขึ้นเหมือนกับมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมามากมายแต่ละละมันคือ อาการต่างๆที่มาสอนเราฝึกเราให้เรามีความรู้ชัดๆรู้ตรงๆแล้วก็เผชิญไม่หลบไม่เลีกพร้อมเผชิญเหมือนกับว่าลิ้นต่อลิ้นฟันต่อฟันตาต่อตาหมัดต่อหมัดมันเคยมีอิทธิพลครอบงำให้เราัร้องไห้สุขๆุทุกๆ ปับันนี้เราก็เอามาเป็นเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนความไม่ปกติมาเป็นปกติหลงไปในความคิดออกมารู้ทันความคิดมันก็พัฒนาได้จริงๆเราก็มีการสังเกตขณะปฏิบัติตราานะหนักาะตระห ความเป็นกลางเป็นยังไงวางหน้าวางตาวางกายแล้วก็วางจิตวางใจมันมีความพอดีมันมีความเป็นปกติเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาเราเริ่มจับประเด็นตรงนี้ได้มันก็เหมือนกับเดินไปไม่รีบไม่ร้อนมันเดินทอดน่องทอดหุย่ย เดินเราก็รู้สึกว่ามันลื่นเริ่มเพลิดเพลินการปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นแหละจิตใจปลาโมดขึ้นมาทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันก็จะทําได้เรื่อยๆบางทีเพอๆแป๊บๆหมดวันหนึแล้วอย่างวันนี้เป็นต้นเหมือนก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะการงานเป็นชิ้นเป็นอันหมดวันหนึแล้วแต่ว่าความรู้สึกตัวยังมีต่อเนื่องตลอดเวลาเหมือนเลยเออเนี่ยแหละคือการงาน เหมือนไม่ได้อะไรมืนไม่ได้ทําอะไรแต่มันทําอะไรแต่ทำไมอยู่ทางโลกเนี่ยมันเหมือนกับทาทั้งวันแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทําออกทําใจวางจิตวางใจไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยกลางคืนก็ฝันกลางวันก็คิดมันเหมือนกับทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยว่าทํางานก็ไม่เห็นมีความสุขอะไรทําทั้งวันทําทั้งเดือนทําทั้งปี ก็ยังหาความสุขเต็มเป็นความสุขกเกษมสารไม่เจอเป็นความสุขที่เป็นสุขเผาสุขจีสุขที่ต้องเติมปริมาณเรยียดปลาเนียหมดเงินหมดทองอาบเหงื่อต่างน้าบางทีมันก็เหมือนกับริปรี่เต็มทีวาดวิมานวาดฝันไว้มันไปไม่ถึงดวงดาว ยิ่งเอือมยิ่งขย e งยิ่งเหนื่อยตัวสั่นลิกลแล้วก็หยิบยังไม่ถึงทั้งเหนื่อยทั้งลา้าพอได้หยุดเออมันไม่ได้ทำอะไรแต่มันสบายขึ้นกว่าเกา่าปฏิวัติทํามก็เป็นอย่างนี้แหละบางทีก็ทำไปเหมือนกันไม่ได้อะไร รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่ว่ามันได้หลายวันผ่านไปมันเห็นเลยระหว่างคนเก่าที่ปฏิบัติอยู่ระหว่างคนใหม่ที่เพิ่งมาแตกต่างเห็นได้ชัดมันเลยเห็นตัวเองอ่ะโอ้แลว่าไม่ได้อะไรมันก็ได้เนาะทำมานี่อยากได้กลับไม่ได้ว่าไม่อยากได้มันกับได้เราก็เลยไม่ได้ทำ ปฏิบัติทำโดยตัณหาตัณหาพาทำบางทีตัณหาพาทำคิดว่าทำมาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอวาดฝันเอาไว้คงจะสว่างโล่งแสงสว่างแห่งปัญญามันคงจะเลยพิดเป็นปฏิหารวิจิตพิสดารเห็นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นโน้นเห็นเทวดาเห็นวิมาน วาดภาพก็บอกว่ารู้รูปนามจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็วาดภาพจิตมันปรุงพอปฏิบัติแล้วไม่เห็นเหมือนกับที่ครูอาจารย์พูดสักทีไม่เห็นมีอะไรเลยมันกลายเป็นรู้สึกตัวธรรมดาธรรมดาซื่อๆเคลื่อน<ๆ>ไหวรู้สึกตัวเอ๊ะมันก็เป็นความธรรมดาธรรมดานี่นะ ดูเฉยๆดูซื่อๆอ๋อมันเป็นธรรมดาๆเนี่ยตาก็เห็นชัดหูก็ได้ยินชัดก็ไม่ได้นั่งหลับตาวิธีแนวหลวงปู่เทียนก็นั่งลืมตาปฏิบัติเราเคยหลับตาแล้วมันสบายมันสงบมันอร่อยแต่พอปฏิบัติไปเรื่อยๆเออลืมตามันก็ธรรมดาๆเป็นปกติดีก็เห็น สิ่งมันปรากฏเฉพาะหน้าผ่านไปผ่านมาเคลื่อนไหวเป็นกิริยาการชัดโหก็ได้ยินเนี่ยแหละเมื่อก่อนได้ยินก็ฟุง้งซ่านได้ยินก็ไปตามเสียงตาดูก็ไปตามรูปดูแล้วก็มีความพอใจไม่พอใจแต่ตอนนี้เราดูแล้วเราก็เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องก็คือเกี่ยวข้องเป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้กเก๊กไม่ได้กเก่ง ไม่ได้วางมากมีกิริยาที่แตกต่างไปจากคนธรรมดาธรรมดาพระบางทีมันเก็กมันเกรงมันวางหน้าวางตาวางท่าวางทางก็าเรียกว่าฤาษีลวงเฮี้ยพอได้ยินก็สะดุ้มกันแหละฤาษีลนะวงเฮี้ยจาเป็นยังไงเวลาปฏิบัติแล้วชอบมีมากก็สังเกตมานานนะเรื่องการมีมากวางมากคนนะเอ๊ะทำไมก็วางมากเหมือนกันทั้งต่อหน้าและรับหลัง ต่อหน้าวางตัวมีมากแต่พอรับหลังแล้วเอ๊ะมันเป็นอีกแบบที่พูดเนี่ยคือเรามปสังเกตตัวเรานะเพราะว่าฤษีรลวงเหียมีการเล่าเรื่องนี้้ใช่แล้วใช่แล้วฤษีอยากกินเฮียญาติโยมนำมาถวายนะอร่อยเหลือเกินกินผักมานานญาติโยมก็ ไม่ได้คิดอะไรมากตามภาษาซื้อได้อะไรก็ไปถวายหรือสีก็โอ้โหเนื้อเฮียสุดยอดบารุงคินก็เลยถามแกงอะไรมาเหรือทำไมหรือเจ้าค่ะมันอร่อยอะก็เลยอยากจะรู้ว่าแกงอะไรมาเฮียเจ้าค่ะ บันลงขึ้นกันเลยนะวางแผนทุกวันอาหารเหลือจะให้เฮียกินนะเฮียก็มากินจนได้เลยถ้าอร่อยจนได้เวลาก็จะต้องมาทีนี้พรากฏว่าฤาษีก็เตรียมกระบอกเอาไว้ <c oughs> ก็วันนี้แหละจะตีให้ตายจะไปให้แกง เฮี้ยตัวนี้เป็นเฮี้ยโภทิสัตทุกวันก็ไม่ได้สังเกตว่าฤกษอสนะีลักษณะท่าทางกริยานะเป็นยังไงนะก็ไว้อกไว้ใจแต่มาวันนี้เห็นว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนกับทุกวันนะทางนั้นนีไม่ได้สังเกตนะมีอาการที่แปลกไปก็เลยเออวันนี้มันมีวิรุธบางอย่างแล้ว สัมผัสได้ก็เลยระวังตัวอยู่ฤาษีก็รอจังหวะมาในระยะที่เาผาขนหยิบไม้ตีเต็มที่แต่ว่าเฮียก็มีสัญชาตญาณรู้ละ ว, วันนี้มีพิรุษก็หลบก็ไม่โดนก็ปลอดภัยฤาษีพอเห็นอย่างนั้นก็ ตีหน้าเก้็พูดออกไปสับยอกกับเฮียว่าเราหยอกเจ้าเล่นหรอกเราเปไปในเจตนาที่จะตีเจ้าหรอกเฮียก็เลยมดุดเข้าไปในรูแล้วก็โผล่หัาบอกว่าให้เจ้าฤาษี เจ้าเอากายของเจ้าเนะี่ยห่มทำตัวเป็นภูมิศีลท้ไมส่วนจิตใจเจ้าในี่สกปรกสับปรับคิดจะทำชั่วค่าจะมุดลงไปให้ร้อยชั่วตัวมนุษย์แล้วไม่โผลใไปอีกยอมตายการลนั่นะละอันนี้คือฤาษีลวงเหี้ย วิธีการหลงบทเตียนไม่ใช่อย่างนั้นหรอกกระลึมตาธรรมดารรมดาแล้วก็เดินไปเดินมาเป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยแหละเดียงกว่วให้ใส่ความรู้สึกตัวลงไปผ่อนคลายเนสังเกตเป็นการยกไม้ยกมือร่างกายเน่ยไม่เก๊กไม่เกร็งมันจะเป็นธรรมชาติแต่ละจังหวะเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดอย่างเงี้ยการเดินก็เหมือนกัน อันนี้เป็นการฝึกหัดสติปัฏฐานเราไปฝึกสมาธิให้จิตเป็นสมถะกรรมาฐานไม่ใช่มันเป็นวิปัสสนากรรมาฐานเราก็สังเกตได้เวลามันเกง่งมันคลายเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงอาการของกายมันก็บอกอาการของจิตมันก็บอกการวางหน้าวางตาการเดินจงกรมผู้ใหม่นี้ไม่ควรกลมเกินไปหรือว่า เงยไปมองนะในระยะไกลๆไม่ควรพอดีพอ ด, พอดีการวางตาประมาณสัก2วานะพอดีพอดีหรือว่าเปรียบเทียบกับแววตาของโปรตีรูปก็ได้นะลักษณะของดวงตาของโปรตีนรูปนะวางๆไม่ก้มไม่เงยเดินเป็นจังหวะพอดีพอดีของใครของเราไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไป แต่ว่าเวลาจะเร็วก็คือเวลามันง่วงเราต้องแข่งมาหน่อยเวลามันง่วงอารมณ์มันรุนแรงอย่างเงี้ยเบื่อรวมคิดมากฟุ้งซ่านอารมณ์มันรุนแรงมันลากเราออกไปจากกรรมฐานฐานที่เรากำหนดรู้อยู่เราก็เจตนาลงไปให้แรงขึ้นยกมือกระทบกระแรงขึ้นการเดินก็ให้เร็วขึ้นแรงขึ้นเพื่อให้สัมผัสมันชัดความรู้สึกที่กายมันชัดเนี่ย จิตหรือว่าสติปัฏฐานที่มันกําลังฝึกหัดอยู่ก็เออเป้ามันชัดมันหยาบมันจะได้มันแนบกับความรู้สึกที่ฐานกายใหม่ไม่เข้าไปในความคิดหรือว่าความฟุ้งซ่านต่างๆความง่วงความเบื่ออันนี้เราก็ต้องจํำมาไว้เทคนิคนการได้ยินได้ฟังแล้วไปหัดทําดูเทคนิคจะทําให้ปฏิบัติได้ง่าย การนั่งก็เหมือนกันก็นั่งให้มันวางๆแล้วก็เคลื่อนไม้เคลื่อนมือให้มันรู้สึกสบายผ่อนคลายหลวงปู่เทียนก็พูดไว้ชัดว่าถ้าทมแล้วรู้สึกมันไม่สบายแสดงว่าทาผิดแล้ว mm hmm. ทำแล้วรู้สึกว่ามันหนักมันแน่นมันเครียดสแสดงมันเพ่งแล้วกอ mm hmm. ยหบปรับให้มันเกิดความพอดีขึ้นมา พอฝึกบ่อยๆแล้วสังเกตได้นั่ะสภาวะที่มันจำได้มันก็จะจําได้แล้วก็ทําได้เบื้องต้นสั้นๆเมื่อทีสักห้านาที10นาที30นาทีครึ่งชั่วโมงมันทําได้อย่างสบายๆหรือว่าหลายชั่วโมงก็ตามแต่ว่าจะมีจุดอ่อนของมันบางจังหวะที่มันล้ามันเหนื่อยจิตมันเหนื่อยบางที่มันเหมือนถูกบังคับมันเคยทําอะไรตามใจตัวเองมาตลอดอนี้ อยากกินก็ได้กินอยากดูก็ได้ดูอยากฟังก็ได้ฟังอยากไปไหนก็ได้หลังใจตอนนี้มันต้องมาตีกรอบตัวเองเดินไปเดินมามันเหมือนถูบังคับแล้วทํานานๆก็เหนื่อยใจเพราะฉะนั้นตอนตอน้ตนเราต้องสังเกตนะตอนที่มันเริ่มตน้นมันวางแล้วมันพอดีพอดีเราค่อยยืดเวลาออก ห้นาทีสนาทีครึ่งชั่วโมงยืดออกยืดออกความเข้มแข็งค่อยๆเพิ่มปริมาณให้กับมันไปบราระเล็กบวราน้อยไปเพราะบางทีการหักดําปลาด้วยเข่าก็เข็ดเป็นเหมือนกันก็สังเกตหลายคนละหักดําปลาด้วยเข่านะมันก็ยิ่งปล่อยทาเน้นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นลนักษณะของบรรยากาศกาลยามิดนี่ได้ มารวมกลุ่มกันมันมีพลังอยู่สัก3ามสี่คนมาร่วมกันปฏิบัติมันช่วยกันได้อยู่พอเกิดการเกลงใจกันเห็นเพื่อนอยังทำอยู่เราจะมานั่งหรือว่านั่งสบงกง่วงนอนมันก็ดูไม่งามเราก็ใส่แรงของเพื่อนก็จูงออกไปถ้าอยู่ตามกุดง่วมก็นอน ที่เกียดก็ไม่ทํามาอยู่ร่วมๆกันแต่บรรยากาศตอนนี้ก็ไม่ค่ยเห็นนั่าแหละนอกจากเวลามีกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงใจให้แบบนี้แหละทั้งลูกยุทั้งลูกจวนทั้งลูกผลักจนเกิดเป็นแรงแรงบันดาลใจขึ้นมาเองไปเห็นว่าแรงบันดาลใจเกิดขึ้นมาก็จะค่อยๆปล่อยให้ทําเต็มที่ปไปเลย ระยะสั้นไม่รู้จะทํากันยังไง<น>ก็ต้องให้อารมณ์กันดูแลกันเสี่ยงทําหลายอย่างนี่เสี่ยงมากๆ<น>แต่ก็เห็นแบบอย่างมากมายนิสัยจากครูบาอาจารย์มากมาย<น>ที่เขาก็แสดงออกกั น, นในสายงานแสดงออกอย่างนี้มีมากมายเหลือเกิ น, นแล้วก็ เห็นด้วยกับหลายๆอย่างที่มาปฏิบัติร่วมกันแล้วก็พากันเดินนะถ้าเป็นวัดหลายวัดเช่นวัดของอาจารย์สุริยาวัดสมนัทเนี่ยก็เคยไปช่วยท่านนอยู่บ้างไปเทศให้อารมณ์น้องปฏิบัติระหว่างที่รอสังเกตก็ดูก็ปฏิบัติกันยังไงก็ชวนกันทํา มีพระประกอบเลย1ต่อ10 1ต่อ20เสิบอย่างเงี้ยมนก็สมัยในยุคต้นๆที่ออกไปตามสายงานก็จะมีอย่างเงี้ยนแะแต่ว่ายุคนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกที่นี่เราให้เกิดศรัทธามีข้อมูลมาเก่าแล้วเคยฝึกแนวหลวงพ่อเตียนมาบ้างแล้วเสร็จแล้วอาจจะฟังเทศฟังธรรมของหลวงพ่อคำเขียน รู้ว่าจะศรัทธาโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะ่ะแล้วก็จนมาอยู่วัดแล้วหลวงพ่อท่านก็ให้เรียนรู้อย่างเป็นอิสระไม่ต้องบังคับกันทําผมเลือดตามาเมื่อสิบสามปีก่อนก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านก็ให้ทำก็เห็นว่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่กี่คนหะที่ยังหลงเหลืออยู่ที่วัดป่าสุกโต ผู้หญิงก็เถอะผู้หญิงก็ไม่อยู่ก็เยอะผ่านมาแล้วก็ไปทํากุศลอยู่ในวัดแล้วท้ายสุดก็ไม่ได้อยู่เพราะนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าถึงความรู้สึกตัวเอาเองโดยการปฏิบัติจริงๆนะเครื่องอยู่คือกายเอากายเป็นวิหารและทําเป็นเครื่องอยู่ส่วนนะจิตใจอารมณ์จะอะไรเป็นเครื่องอยู่ ลักษณะของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเวล า, วลาตาหูจมูกลิ้นถ้าเราไม่มีสติเป็นเครื่องอยู่มันก็หลุดมิถุนหลุดก็หลุดแะหลุดออกไปทางตาทางหูอย่างเงี้ยแต่พอสติมันเริ่มเกิดขึ้นมาความเป็นปกติเด่นขึ้นอันนี้มันใช้นะใช้ตาใช้หูเราไม่ใช่ใช้หูใช้เราตาก็เปิดตามองธรรมดานี่แหละก็มองธรรมดานี่แหละจิตมันอได้ปรุงอะไรหรอ แต่จะมีการใช้อาการแสดงออกเกี่ยวข้องอันนี้มีแต่ก็อยู่ในกรอบนั่นแหละเราสามารถที่จะทำได้อยู่มันมีกรอบอมันอยู่หรอกรอบของความรู้สึกตัวเนะี่ยอันนี้เราก็ใช้ใไปเกิดหน้าที่ต่างๆมากมายแล้วกันเป็นประโยชน์ชก็เลยบอกว่าถ้ามีนะไม่มีใครหรอกจะไม่บอกมันต้องบอกกัน ทิศทางมันชัดเจนคนขับรถมาอย่างเงี้ยอยู่ๆไม่บอกทิศไม่บอกทางก็จอดถามบางทีเขาหลงเราเห็นอยู่แล้วเงี้ยเขหลงแต่เราเป็นผู้ใหญ่ใจดีใข้ควรแล้วนะมาได้พูดเพราะว่าหวังราบการะไม่ได้พูดเพราะว่าหวังสาวกสมาชิกมาได้พูดพว่าเราเป็นเจ้าลัทธิเราต้องการที่จะแสดงออกแอนนั้นตัวอันตราย ถ้เป็นเรื่องที่มันเป็นจริงๆแล้วไม่บอกอันนี้อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเรียกว่าไม่รู้ไม่ชี้อันนี้ดีมันไม่รู้่ไม่ยอมไปชี้รู้แล้วไม่ชี้อันนี้ไม่ดีรู้ทําไมไม่ชี้จะเป็นปัดเจกับพธดนี่อันตรายตัวนี้กินข้าวชาวบ้านไม่ยอมบอกความจริงกับเขาอันนี้ตายดีกว่าอยู่ไปทาไมเดินไปเหยียบมดเหยียบอะไรสารพัดเนะบียดเบียน ตัวเองไม่เป็นกรรมไม่เป็นเวนนะแต่ว่าคนอื่นยังเดือดร้อนอยู่ต้องบอกกันรู้และชี้อันนี้ถูกที่สุดรู้แล้ชี้แต่ว่าการที่จะให้ใครมาบอกว่าเรารู้เนี่ยมันก็ต้องหนึ่งรับผิดชอบตัวเอง2ก็คื อ, ผ, อ, นนอผู้รู้ทันชี้ให้ทําอันนี้ปลอดภัยผู้รู้ชี้ให้ทำหนึ่งหรือว่าใครควรแล้วว่าเราสามารถรับผิดชอบอยู่ในกรอบที่รับผิดและชอบได้ อันนี้ทำลงไปต้องรับผิดชอบทุกกรณีอันนี้ก็รับผิดชอบตัวเองกันจึง เ, เป็นเรื่องของความเอื้อเฟื้อความเมตตาจะเป็นเรื่องที่เนี่ยบัดป๋าสูตัวเราก็ใช้ลักษณะของความเป็นกลางมิตร เ, เกี่ยวข้องกันถึงจะอยู่กันมากมายหลายคนแต มีความสงบพอสมควรเหมือนกับไม่มีคนอยู่เลยยิ่งเวลากลุ่มมากันมา ก, มากเนี่ยก็จะคำชับสมัยก่อนนะว่าเราต้องเป็นตัวอย่างคนเข้ามามีมากมายแล้วก็ให้รู้ไว้ถ้าเป็นพระภิกษุตอนนีนะ้ก็จะมีชาวบ้านโดยเพราะคณะกรรมการของ ปลปกครองของชาวบ้านก็จะมาอยู่ตามริมรั้วนะบางทีก็มานอนเล่นอยู่แถวป่าช้าบางทีก็มาแฝงตัวอยนิวัดเขาช่วยตรวจสอบดูรแลพวกเราอยู่การใช้รถใช้ลาของวัดเนี่ยออกไปไหนทำอะไรเนะี่ยเขาดูแลเราอยู่นะรถวัดป่าสุกตไปทิศทางไหนเ <c oughs> มืดค่ากี่โมง ใครเป็นคนขับไปยังไงไปยังไม่ด่านตรวจหมดรายงานตลอดนะเพรา ะ, ะนั้นเราก็ไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่คนเดียวนะดีนอกจากเรารู้สึกตัวเราดูตัวเองแล้วมีหลายคนมาดูเรานะก็จะดูแบบไหนก็ไม่แปลกนะก็หมายถึงว่าเขาส่งเสริมช่วยเราอยู่นะเราต้องขอบคุณกันเวลาเราผิดพลาดกาช่วยติช่วยเตือนนะ ใช่บอกช่วยกล่าวชี้นําไปทางที่ไม่เสื่อมขอบคุณขอบคุณชาวบ้านก็เหมือนกันเราขอบคุณกันในวัดมีเรื่องมีราวอะไรเราก็บอกชาวบ้านชาวบ้านมีเรื่องมีราวอะไรก็ามาบอกพระถึงกันเราก็จึงนะไม่ประมาทคําว่าไม่ประมาทนี่มันเป็นการเตือนนะตัวเอง การรู้สึกตัวทุกครั้งนั่นแหะคือความไม่ประมาทมันไม่ใช่คาพูดซะแล้วจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนแล้วก็เห็นตัวเองชัดมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จนมันหายสงสัยแล้วไม่ไม่สงสัยแล้วครูบาอาจารย์สอนผิดหรือสอนถูกทึงท่านจะทําไม่ได้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเราทําถูกหรือเปล่าเรายังทุกอยู่หรือเปล่าเท่านี้สําคัญหรือท่านอาจจะรู้อยู่ไม่บอกไม่พูดก็ไม่ผิดอะไรอีกเพราะว่าไม่เป็นเรื่องสิทธิ ส่วนบุคคลเรื่องของท่านไม่ว่ากันบา mm hmm. งทีท่านก็ขี้เกียจพูดเหมือนกันเปรียบเหมือนสบายวิริการก็บอกว่า mm hmm. การสอนศาสนานี่จะเสื่อม mm hmm. ได้เหตุที่ว่ามีพระเจ้าพิมพิสาร mm hmm. พระเจ้าประสัยที่โกศลทรงสูด ว, วินิมิตเอาไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้ น, นทําไมกั้นเชือกและเชือกไม่ยาว mm hmm. วั้นเชือกเชือกไม่ยาว มันเป็นเชือกหนังควา ย, ยก็นั่งอยู่วันแกล้ันเสร็จแล้วพอวันเสร็จยกเชือกมาดูเอา้าทำไมมันสั้นแค่สองคืบปรากฏว่าไปดูใต้เตียงมันมีสุนัขหมากินเชือกหนังควายก็ไปถามพระเจ้า ขวัญอย่างเงี้ยหมายความว่าอย่างไงแต่เป็นยุคนี้จะตีเป็นหวหกันใหญ่เล็กทายอะไรสองตัวแต่สมัยนั้นเจ้าทํทำนายออกมาว่าต่อไปในภายภาคหน้า เ, เรื่ององการสอนสาศาสนาเนี่ยยากพ้เป็นครูบาอาจารย์สอนเท่าไหร่ก็ไม่ได้สร้างศรัทธาญาติโยมขึ้นมาเพราะาหมามกินเชือก มันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเรียกว่ามือไม่พายาเท้าลาน้ําจะมีอยู่ในอนาคตการนู่นแต่เราไม่ได้สนใจหรอกมันจะฟันยาวฟันสั้นเราก็สนใจว่าไอ้สิ่งที่เราบอกเราทบทวนให้กับตัวเองได้ฟังได้ยินทุกครั้งที่พูดเนี่ยเราพูดกับตัวเองทบทวนตัวเองอันนี้เป็นการบรรลุธรรมได้ไง่ายๆ ได้ยินได้ฟังมาหรือว่าได้ปฏิบัติมีประสบการณ์มาถึงไหนเพราะมันตั้งใจมีจมาที่กับการพูดการเทศเป็นการทบทวนมันเกิดการพัฒนาบรรลุทำได้คนฟังก็เหมือนกันคนฟังพอมีประสบการณ์ตรงกันมันปิ้งๆิ้งปิ้ ง, ง, ง, ง, งขึ้นมาสภาวะอาการจากหยาบไปหาละเอียดที่นี่เป็นของละเอียดในส่วนใหญ่หลวงพ่อคำเขียนท่านยปล่อยออกมาเป็นความประณีตความลึกซึ้งของคาพูด ท่นปล่อยเอาไวแต่ลำพังพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอาศัยเป็นเพื่อนกับคนผู้ใหม่มากกว่าพวกเก่าเก่งแล้วก็ทําไปก็เห็นตัวเองไปเป็นขั้นเป็นตอนไปเห็นอะไรเห็นรูปเห็นนามมันต้องเห็นเห็นอะไรอีกเห็นวัตถุอาการประมัิที่มันเกิดขึ้นมามนแสดงออกมาอาการต่างๆโทสะโมหะโลภะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มันเป็นนามยังไงพอพูดปั๊บมันก็รู้ได้ทันทีเราก็มีเหมือนกันเห็นเหมือนกันมันเป็นยังไงนะมันมีสมาธิมันมีปัญญาเกิดขึ้นมานั่นเป็นยังไงมันมีสติมีความรู้สึกตัวเป็นศีลยังไงโอ้เห็นแล้วพูดปั๊บมันก็รู้ได้ทันทีว่าสิ่งนี้มันก็มีเหมือนกันรู้ได้เหมือนกันทุกคน มันเป็นยังไงอารมณ์ต้นเป็นบุญเป็นบาปเห็นบุญเห็นบาปเห็นตัวเองยังไงเห็นนรกสวรรค์ยังไงเห็นการกระทํำของเราอย่างไงเวลามันรู้สึกตัวรู้สึกตัวที่ฐานกายมารู้ทานจิตคิดเป็นยังไงมันคิดดีคิดไม่ดีเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นยังไงมันก็อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนกัน อันนี้ถึงไม่คุยกันมองหน้ามองตาก็รู้กันนะมันรู้ได้จากจิตสู่จิตถ้ารู้สู่ทารู้ทำสู่ทำนะเห็นหน้าก็เห็นข้างในเห็นตาก็เห็นคิดอะไรแต่ว่าเราไม่ได้มาสนใจเรื่องแบบนี้นะเราสนใจที่จะกลับมาดูเรากลับมาดูเรานะเขาก็คือเขาเราก็คือเรานะมันก็เลยเป็นเรื่องสะดวกนะไม่มีการจับถูกจับผิดเป่งโทษนะไม่มี จะมีกาเตือนกันแบบ mm hmm. กระซิบกบระซาบเตือนกันแบบนั้นแบบปรารถนาดีมีเมตตาไม่ได้หวังที่จะทำลายล้างเป็นคู่อาฆาตพยาบาทศัตรูคู่อาลัยัตชาติปางไหนไม่ใช่เราให้ไปกันแล้วก็แล้วไปเมตตาเ mm hmm. นีะ่ะมันก็จึงเป็นความสะดวกแล้ว mm hmm. การใช้ชีวิตที่วัดป่าสกโต ว่าทุกคนมีสละมีสิทธิ์เสรีภาพเต็มที่กการที่จะละชั่วทำดีแล้วก็เจริญสติภาวนากันอย่างไงนะ้นะแล้วเห็นว่าสมควรเวลากร า, าพรพร้อมกัน